เรื่องของการทำบุญเรื่องของการทำบาปเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้ทำบาปและจิตใจเป็นผู้รับผลของบุญและผลของบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายอาจจะรับเป็นผลพลอยได้ ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทําบุญหรือกระทําบาปร่างกายเป็นเหมือนเครื่องมือในการทําบุญทําบาปเช่นอาวุธปืนเวลาเอาอาวุธปืนไปฆ่าคนเวลาตำรวจจับเขาจับคนที่ใช้ปืนไปลงโทษเขาไม่จับปืนไปลงโทษ เพาปืนเป็นเพียงเครื่องมือเขาก็เอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยฉันใดเวลาใจทำบาปหรือทำบุญใจก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำบาปหรือทำบุญตามกฎแห่งกรรมผลของบุญของบาปจึงไม่ได้เกิดที่ร่างกายแต่เกิดที่จิตใจ ร่างกายก็ไม่ต้องรับโทษก็ได้เช่นคนทําบาปแล้วไม่ไปติดคุกติดตารางก็มีหรือคนทําบุญแล้วไม่ได้รับรางวัลก็มีนี่หมายถึงร่างกายที่ไม่ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับโทษแต่ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือรับโทษนั้นได้รับแล้วคือจิตใจได้รับอย่างไร ก็ได้รับที่ความรู้สึกในจิตใจนี้เองเวลาทำบุญนี่ใจจะมีความสุขมีความเย็นมีความอิ่มมีความสบายนี่คือผลของการทำบุญหรือทาความดีส่วนเวลาทำบาปทำความชั่วผลก็เกิดขึ้นที่ใจทันทีคือความรู้สึกทุกข์ร้อนขึ้นมา ความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาภายในใจนี่แหละคือผลของบุญผลของบาปและผู้กระทำบุญหรือกระทาบาป ค, คือใจหรือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้ทำบุญหรือทำบาปโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นเวลาจะไปฆ่าผู้อื่น ก็ต้องใช้ร่างกายสั่งให้ร่างกายไปฆ่าแต่ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองซึ่งอาจจะถูกจับไปลงโทษก็มีบางทีก็อาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษเพราะอาจจะไม่มีใครรู้ว่าได้ไปทำบาป ม, มาเช่นไปลักขโมยข้าวของเงินทอง บางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รู้ว่าใครไปรักขโมยเข้าของเงินทองก็ไม่สามารถตามไปจับตัวผู้ที่รักขโมยเงินทองได้ก็เลยเหมือนกับว่าทําบาปแล้วไม่ต้องรับผลบาปไม่ถูกจับไปติดคุกติดตาราง อ, อันนี้เป็นเรื่องของเครื่องมือเรื่องของร่างกายซึ่งบางที ก็อาจจะถูกจับไปลงโทษบางทีก็อาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้ขึ้นอยู่ว่ามีคนรู้หรือไม่รู้ uh huh. หรือทำดีบางทีก็ไม่มีคนรู้ว่าทำดี uh huh. ก็ไม่ได้รับรางวัลก็มี uh huh. ทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้ได้รับรางวัลแล้วถ้าทำดีจิตใจจะมีความสุขขึ้นมา uh huh. ถ้าทำบาปจิตใจก็จะมีความทุกข์มีความร้อนขึ้นมานี่แหละคือผลของบุญของบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่<ม>จิตใจนี้ได้รับผลบุญผลบาปคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์แล้วก็ได้รับความเจริญหรือเสือ่อมถ้าทําบุญนี้จิตใจก็จะเจริญขึ้น จากระดับของมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับ mm hmm. ถ้าทำบาปจิตใจก็จะลงต่ำไปสู่การเป็นสัตว์เดรัจฉานไปสู่การเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปสู่การตกนรก mm hmm. จิตใจนี้เป็นไปตั้งแต่ยังไม่ตาย ร่างกายอาจจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจอาจจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลก็ได้หรือในทางตรงกันข้ามร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอาจจะเป็นเดรัจฉานไปแล้วก็ได้<ม>เป็นเปรตไปแล้วก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นนรกก็ได้<ม>นี่แหละคือผลของการทำบุญและทำบาป ไม่ได้เกิดที่ร่างกายเก <cía. S 1> ิดที่จิตใจที่เป็นนามธรรมที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเราเห็นคนทำบาปนี่เราเห็นแต่ร่างกายของเขาแต่เราไม่เห็นจิตใจของเขาจิตใจของเขาอาจจะทุกข์อาจจะโหดเที่ยมโหดร้ายทารุณแต่เราจะมองไม่เห็นเราจะเห็นส่วนที่ร่างกายของเขา ซึเ่เขาอาจจะได้รับรางวัลจากการทําบาปก็ได้เช่นสมมุติถ้าไปเป็นทหารไปทําสงครามไปฆ่าคนไปชนะศึกนี่กลับมาก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่นี่เป็นทางร่างกายร่างกายได้รับเกียรติยศได้เงินรางวัลแต่จิตใจนี้อาจจะไป เป็นเดลชาหก็ได้นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของบุญของบาปถ้าเราจะเห็นความจริงเราต้องเห็นที่ใจดูที่ใจเป็นหลักถ้าเราไปดูที่ร่างกายเราจะสับสนเพราะบางคนทำบาปแล้วกลับได้ดบได้ดีบางคนทำบุญแล้วไม่ได้ดบได้ดี ก็อาจจะทําให้เราเกิดความท้อแท้ไม่อยากจะทําความดีทําบาปดีกว่าทําบาปแล้วได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้รางวัลทําบุญแล้วไม่ได้รับรางวัลอันนี้ถ้าเราไปมองที่ร่างกายผลที่เกิดกับร่างกายคือราบยศสาะระเสรวนเกิด ที่ร่างกาย<ม>แต่ผลที่เกิดที่ใจก็คือความรู้สึกสุขลรืทุกข์<ม>แล้วความเจริญของดวงวิญญาณ<ม>ดวงวิญญาณเจริญจากมนุษย์ไปเป็นเทพเพราะเทพมีความสุขมากกว่ามนุษย์<ม>จากมนเทพก็ไปเป็นพรหมเพราะพรหมมีความสุขมากกว่าเทพ<ม>จากพรหมก็ไปเป็นพระอริยบุคคล เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เพราะมีความสุขมากกว่ากันตามลําดับขึ้นไปจนถึงลําดับที่สูงสุดคือลําดับของพระอรหันต์ของพระนิพพานความสุขก็เป็นป ร, รมังสุขขังขึ้นมาเป็นบรมมัสุขขึ้นมาความทุกข์ก็หายไปหมดกลายเป็นศูนย์ไป นี่คือจิตใจผู้รับผลบุญจะเป็นอย่างนี้ส่วนผู้จิตใจที่รับผลบาปก็จะเสื่อมจากมนุษย์ลงไปเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภดวงวิญญาณก็จะเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัว ดวงวิญญาณก็จะเป็นอสูรกายถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทดวงวิญญาณก็จะเป็นนรกนี่แหละคือเรื่องของบุญของบาปเรื่องของผลของบุญของบาปเรื่องของกฎแห่งกรรมเราต้องดูที่จิตใจไม่ใช่ที่ร่างกายถ้าดูที่ร่างกายแล้วเราจะงง จะไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรทำดีแล้วทำไมถึงไม่ได้ดีทำชั่วแล้วทำไมถึงได้ดีกันถ้าเราไปดูที่ร่างกายมันจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเรามองที่จิตใจนี้เราจะไม่สับสนเวลาเราทำบุญนี <Another one>? ่ใจเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นความสุขของมนุษย์ก็ ก็จะกลายเป็นความสุขของเทวดาไปแล้ว ถ, ถ้าเราทำบุญสูงกว่าของเทวดาคือไปฝึกนั่งสมาธิเข้าฌานทำใจให้สงบเราก็จะได้ความสุขมากกว่าของความสุขของเทวดาก็ <G uan> จะเคลื่อนไปเป็นความสุขของพรหมเข้าฌานขั้นต่างๆก็จะเป็นพรหมชั้นต่า ง, างๆไปแล้วถ้าเรา จเจริญวิปัสสนามีดวงตาเห็นธรรมในแต่ละขั้นจิตของเราก็จะสุกมากขึ้นไปเพราะจะสุขยาวขึ้นถาวรจะสุกนานกว่าน่าจะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปต้องเกิดจากการจเจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นไตรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลาย เห็นริยาสัจสี่เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากปัญหาความอยากต่างๆพอเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์การเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นไตรลักษณ์ก็หยุดหยุดความอยากเสียหยุดความอยากมาเกิดเสียก็ไม่ต้องมาเกิด ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย<ม> น, น, นี่คือเรื่องของการทำบุญในแต่ละขั้น<ม>ถ้าเราอยากจะไปสูงเราอยากจะไปสู่จิตใจที่มีความสุขมากขึ้นสูงมากขึ้นเราก็ต้องทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ทำบุญด้วยการเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองต่างๆก็ยกระดับจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดา mm. แล้วอยากจะยกระดับจากเทวดาขึ้นไปเป็นเทพขึ้นไปเป็นพรหมก็ต้องถือศีลแปต้องหยุดการเสพกามหยุดการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลด่ดรสแล้วมาฝึกสมาธิ มาจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อทำจิตใจให้สงบพ<ม>อจิตใจให้สงบ พ, พอจิตใจสงบก็จะได้รับความสุขของพรมจิตก็จะเป็นพรมขึ้นมามแล้วถ้าอยากจะให้ความสุขของพรมนี้ยาวนานคือไม่เสื่อมความสุขของพรมนี้ยังเสื่อมได้ความสุขของเทพนี้ยังเสื่อมได้ ได้เป็นเทพแล้วก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ได้ได้เป็นพรหมก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพแล้วก็มาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็จะสามารถทําลายเหตุที่ทําให้ความสุขของพรหมนี้เสื่อมลงได้เหตุที่มาทําให้ความสุขของพรหมเพื่อเสื่อมลงก็คือความอยาก หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองเรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาก็คือความอยากหาความสุขจากจากรูปประจานวิภาวะตัณหาคือความอยากหาความสุขจากรูปประจานเพราะเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมามันก็ทําให้ความสุขที่ได้เสื่อมลงไป พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นี้เป็นไตรลักษณ์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงถึงแม้จะเป็นสุขก็เป็นสุขต้นแล้วก็จะต้องมาทุกข์ตอนปลายได้อะไรมาก็จะได้ความสุขตอนต้นแล้วพอสิ่งที่ได้มาเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นของเราให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรถ้าเห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะจะได้ไม่ไปอยากได้สิ่งเหล่านั้นไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากได้รูปประชาไม่อยากได้อรูปประญาพ อ, อ, อเราตัดความอยากได้เหล่านี้ได้ความอยากที่มาทำให้ใจเสื่อมมันก็ไม่เสื่อม คือความอยากที่จะทำให้ความสงบเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมใจก็จะไม่ตกลงมาสู่เทพสู่มนุษย์ต่อไปใจก็จะเป็นพระอาริยบุคคลตามลำดับท่านโสดาบันก็ยังไม่ได้ตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ก็เลยยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ประมาณไม่มากกว่าเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าได้ขั้นที่สองคือขั้นส ก, กิราคาเมนี้ได้ตัดความอยากการเสพกามให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่ง<ม>เบาบางลงก็ทำให้การจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดานี้เหลือเพียงชาติเดียว<ม>แล้วถ้าขั้นที่สามนี่สามารถตัดความอยากที่จะเสพกามได้หมดเลยขั้นท้าอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิด เป็นเทพเป็นมนุษย์เอกต่อไปแต่ยังไปเกิดเป็นพรหมชั้นรูปประพรมอรูปประพรมอยู่เพราะยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปประชานกับอรูปประชานนี่เองแต่พอมาพิจารณาว่ารูปประชานอารูปประชา น, นี้ไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อม พอเสื่อมความสุขก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้ก็ปรากฏขึ้นมาฉะ <_ d> um> นั้นต้องตัดความอยากตัดความยึดติดในรูปปัจจานในอรูปปัจจานแล้วก็จะทําให้ภาวะตัณหาวิยภาวะตัณหาหายไปพ <_ d> um> อไม่มีตัณหาแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําให้ใจไม่สงบใจก็จะสงบโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องใช้สมถะภาวนาหรือวิปัสนาภาวนามาทำให้สงบใจก็จะเป็นใจของพระอาหารหันต์ใจก็จะได้นิพพานคือความสงบแบบถาวรความสุขแบบถาวรอันนี้คือผลจากการทำบุญขั้นต่างๆจะพาให้จิตใจพัฒนาสูงขึ้นไปมีความสุขมากขึ้นไป มีความทุกน้อยลงไปจนความทุกนี้หายไปหมดเพราะใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเองถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ถึงแม้จะเกิดเป็นใหญ่เป็นโตเกิดร่าเกิดรวยก็ยังต้องทุกข์อยู่เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจน ไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตรหรือคนเล็กคนน้อยอมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ถ้าได้กำจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจแล้วกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาด้วยปัญญาด้วยใยรักด้วยอริยาาสัจสี่แล้วใจก็จะไม่มีอะไรมา นึงให้กลับลงมาสู่การมาพบสู่ตายพบอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดในการมาพบไม่กลับมาเกิดในรูปรพบไม่กลับมาเกิดในอารมณ์พบ mm. พอใจได้หยุดเหตุที่ทําให้เกิดทําให้มีการเกิดก็คือปัญหาทั้งสาความอยากทั้งสาคือความอยากเสกการมความอยากเสกรูปฌาน ความอยากเสพอารูปประชา น, นี้เองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นคำสอนที่ออกมาจากกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมากฎแห่งกรรมนี้มีอยู่มันเป็นธรรมชาติที่มาคอย กำกับจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงที่สัตว์โลกทั้งหลายมาเกิดสูงเกิดต่ำกันก็เพราะกฎแห่งกรรมนี้เองที่มากรรมที่มาคอยจัดการกับการกระทาต่างๆของสัตว์โลกสัตว์โลกนี้ทำบุญทำบาปไม่เหมือนไม่เท่ากันสัตว์โลกบางชนิดก็ทำแต่บาปไม่ทำบุญ สัตว์โลกบางชนิดก็ทําบุญไม่ทําบาป mm. จึงยากสัตว์โลกเป็นสองฝ่ายฝ่ายสุขติกับฝ่ายทุกขติ mm. สัตว์โลกที่ทําบุญไม่ทําบาปก็อยู่ในซี่ของสุขติซ mm. ี่ของเทวดาของพรมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย mm. ส่วนซี่ของสัตว์โลกที่ทําบาปก็อยู่ในทุกขติหรืออบาย mm. อบายก็คือ สัตว์เดรัจฉานเปรตอาศุลกายนรกเนี่อันนี้กรรมเป็นผู้จับแนกแยกดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายให้เป็นไปเป็นเป็นสัตว์ชนิดต่างๆกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอาศุลกายเป็นนรกเนี่เกิดจากการทําบาปหรือเกิดจากการทําบุญนี่ กฎแห่งกรรมนี้ไ <eries> ม่ใช่เป็นใครตั้งกันมาเขียนขึ้นมาเหมือนกับกฎหมายทางโลกเนี่ยกฎหมายทางโลกนี้เราต้องมีรัฐสภาใช่ไหมต้องมีผู้แทนมีนักกฎหมายมาร่างกฎหมายเช่นรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นกฎหมายแต่กฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีใครมาร่างขึ้นมามันเป็นกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรง กดแห่งกรรมนี่ไม่เกี่ยวกับดินน้ํำลมไฟ mm hmm. กฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้ทําให้ฝนตกแดดออก mm hmm. หรือน้ําท่วม mm hmm. ไฟไหม้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของกฎแห่งกรรมอันนั้นเรียกเรื่องของกฎของธาตุสี่ของดินน้ํำลมไฟ mm hmm. เป็นคนละกฎกัน mm hmm. กฎของดินน้ํำลมไฟเราเรียกว่ากฎธรรมชาติ mm hmm. เวลาน้ําท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวนี่ เราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติส่วนเรื่องของการทำบุญทำบาปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรร ม, มก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องก็คือจิตใจนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟไม่เกี่ยวกับธาตุธาตุสี่ดินน้ำนมไฟ เกี่ยวกับธาตุรู้คือจิตใจดังนั้นในในในโลกของที่เราอยู่กันทั้งหมดนี้ก็สรุปได้ว่ามีสองกฎใหญ่หญสองกฎไมใ้ใหญ่ๆกฎแห่งกรรมก็คือกฎที่มาดูแลหรือมีผลต่อจิตใจของพวกเราส่วนกฎของธรรมชาติคือกฎของดินน้ำลมไฟก็เป็น ตัวที่มาทำให้เกิดมีฝนตกแดดออกน้ำท่วมมีพายุมีแผ่นดินไหวอันนี้เป็นเรื่องของกฎทางธรรมชาติส่วนกฎทางของทางจิตใจคือกฎแห่งกรรมกรรมเป็นเครื่องจําแนกแยกสัดให้เป็นชนิดต่างๆให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาให้เป็นพรหมให้เป็นพระอริยบุคคล หรือให้เป็นสัตว์เดรัจฉานให้เป็นเปรต ใ, ให้เป็นนรกนรกนี่อันนี้เรือกเป็นกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะมีพระพุทธเจ้ า, ามาตัดสู้แล้วนำเอามาสอนหรือไม่ก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ก็มีอยู่ดั้งเดิมมีตลอดเวลาตราบใดที่มีดวงวิญญาณมีจิตใจตราบนั้นก็จะมี กฎแห่งกรรมมาคอยจัดการกับจิตใจเหมือนกับตราบใดที่เรามีมนุษย์อยู่ในประเทศไทยนี้ตราบนั้นเราก็ต้องมีกฎหมายมาคอยควบคุมบังคับมนุษย์ที่อยู่ในประเทศไทยนี้่ถ้าไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเลยกฎหมายของประเทศไทยก็ไม่มีไม่ต้องมีเพราะไม่มีใครมาทําผิดทําถูกแต่อย่างไรใออันนี้ก็เหมือนกัน กฎแห่งกรรมจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อไม่มีดวงวิญญาณอยู่อีกต่อไปแต่ดวงวิญญาณนี้ไม่มีวันตายกันกฎแห่งกรรมก็ไม่มีวันตายกฎแห่งกรรมก็จะคอยให้ให้คุณให้โทษต่อจิตใจหรือดวงวิญญาณที่ไปทําบุญหรือทําบาปกันอันนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อทําบาปแล้วใจร้อนทันที ทำบุญแล้วใจเย็นทันที mm. อันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เกี่ยวกันเชื่อมันดีอย่างเชื่อแล้วจะได้เลือกได้ว่าจะเอาเอาอะไรดีจะเอาความร้อนหรือจะเอาความเย็นจะเอาความทุกข์หรือเอาความสุข mm. จะเอาความเจริญหรือเอาความเสื่อม mm. ถ้าเชื่อกดแห่งกรรมเราก็จะได้รู้ว่าทำอย่างไรทำให้เราเจริญทาให้เราสุข ทำอย่างไรทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสือเอ่อมแต่ถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เ, เราก็จะทำอะไรไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราเบางเวลาก็อาจจะทำบุญก็ได้บางเวลาก็อาจจะทำบาปก็ได้ เ, เราก็เลยจะได้ทั้งบุญทั้งบาปสลับกันไปสลับกันมาเราก็เลยเวลา ไปรับผลบุญผลบาปเราก็เลยไปไ ป, ไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างเพราะว่าเราทําทั้งสองอย่างสลับกันผัดกันวันนี้วันนี้อารมณ์ดีทาบุญดีกว่าพอพรุ่งนี้อารมณ์ร้ายด่าคนนั้นตีคนนั้นทำร้ายเข้าของคนนั้นลักขโมยสิ่งของของคนนั้นคนนี้ก็ไปทําบาป ก, กัน จิตใจก็จะขึ้นขึ้นลงลงไม่ไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งขึ้นบ้างลงบ้างตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทําไว้แต่ถ้าได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อคําสอนเชื่อว่าทําบุญแล้วจะทําให้จิตใจสุขมากขึ้นจเจริญมากขึ้นทําบาปแล้วจะทําให้จิตใจทุกข์มากขึ้น เสื่มลงไปถ้าเชื่อเราก็จะได้เลือกทางเดินได้ถ้าเราอยากจะสุขเราอยากจะเจริญเราก็ต้องทำบุญกันทำบุญขั้นต่างๆแล้วเราก็ไม่ทำบาปกันทิศทางของจิตใจของเราก็จะมีแต่ขึ้นสูงจะไม่มีวันลงต่ำจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้ ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความศรัทธาว่ามากหรือน้อยถ้ามีศรัทธามากเชื่อมากก็จะทำมากถ้ามีศรัทธาน้อยเชื่อน้อยก็จะทำน้อยถ้าทำน้อยก็ไปช้าไปถึงช้าไปถึงจุดสูงสุดช้าหน่อยช้ากว่าพวกที่มีความเชื่อมากเมื่อมีความเชื่อมากก็จะทำมากพวกที่มีความเชื่อน้อยก็คือ ยังขอแบ่งแบ่งเงินทำบุญไปเที่ยวบ้างแต่พวกที่เชื่อบุญ1้อยเปอร์ซ็นก็ไม่แบ่งเงินไปเที่ยวเลยเอาไปทำบุญให้หมดเลยแทนที่จะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงก็ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธินี่คือพวกที่เชื่อเต็มร้อยจะไม่แบ่งจะไม่แบ่งไปทางทางโลกทางกิเลสไม่แบ่งไปทางการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ถ้าเชื่อเต็มร้อยถ้ายังเชื่อห้าสิบห้าสิบอยู่ก็ขอแบ่งไว้เผื่อไม่เสือเผื่อสิ่งที่เราเชื่อมันไม่เป็นจริงเดี๋ยวเราจะขาดทุนตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ขอมาเที่ยวบ้างอขอเที่ยวบ้างขอทำบุญบ้างแทงกักไว้ทั้งสองอย่างเวลาถูกรางวัลก็ต้องแบ่งครึ่งใช่ไหม ถ้าแทางหวยแบบแทงโต้ตกับแทงกากนี่มันไม่เหมือนกันเล pues like ถ้าแทางตัวเดียวเวลาถูกรางวัลมันก็ได้เต็ม้อยเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าแทางเราจะถูกหรือเปล่าก็ก็แ บ, บ่งเป็นทางสองเลขดีกว่าสองตัวเผื <uk> ่อ <Those> ตัวนี้ไม่ถูกถูกตัวนี้เอมัน ก, ก็ยังจะได้ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันถ้าศรัทธาไม่มีแค่ห้าสิบห้าสิบก็ขอทําบุญแค่ห้าสิบแล้วก็ขอไปเที่ยวสักห้าสิบ ขอโกหกบ้างบางทีต้องโกหกแฟนไปอไปทําอะไรที่แฟนไม่ชอบ <_ d ream> เดี๋ยวไปบอกความจริงเดี๋ยวเ๋ยวแฟนจะโกรธก็เลยต้องขอโกหกบ้างหรือบางทีเงินทองไม่พอใช้ต้องขอขโมยเงินเขาบ้างอันนี้ <_ d ream> ก็สแสดงว่ายังไม่เชื่อเต็มรอย <_ d ream> เชื่อบ้างแต่ยังพอเวลาเกิดเหตุการณ์ขัดสนขึ้นมาก็เลยขอ เพาทำบาปไว้บ้างเพราะยังไม่แน่ใจว่าทำบาปแล้วจะต้องนับผลบาปเต็มที่หรือไม่อแต่ถ้าเชื่อเต็มร้อยแล้วจะไม่กล้าทำบาปจะทำแต่บุญอย่างเดียวพวกนี้ถึงไปเร็วไงพวกนี้ถึงไปนี้ผ่านได้เร็วไปในชาตินี้เลยพวกที่เขาเชื่อเต็มร้อยเนี่ยอย่างพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านเชื่อเต็มร้อย บางรูปท่านบวชตั้งแต่เป็นเน่นนะท่านไม่ทำบาปเลยรักษาศีลแล้วก็ทำบุญฝึกสมาธิเรียนหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมอัดพิจารณาใจรับพิจารณาอริยาาสัจสีจนในที่สุดก็สามารถยกระดับจิตให้ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้เลยไปเป็นพระอารหันต์กันเนี่ ย, ยกระดูกที่ ประดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุเนี่ยเป็นการยืนยันว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แน่นอนท่านจิตของท่านไปถึงนิพพานแล้วจิตท่านได้ไต่เต้าขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดแล้วด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบําเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นฆลาวาสมาแล้วก็มาบวชเป็นพระ แล้วก็จเจริญไปจนถึงขั้นสูงสุดได้พอร่างกายท่านตายไปเอาร่างกายไปเผากระดูกที่เหลือบางส่วนก็กลายเป็นพรธาตุขึ้นมา อ, มอันนี้เป็นการยืนยันรับประกันว่าจิตใจของท่านนี้ถึงนิพพานแล้วจิตใจของท่านไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้ว จิตใจของท่านไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ว<ม>อยู่ในระดับเดียวกับพระพุทธเจ้ากับระดับพระสาวกทั้งหลายแล้วอันนี้เพราะท่านเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตท่านเชื่อในกฎแห่งกรรมร้อยเปอร์เซ็์เชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือกฎแห่งกรรมนี่แหละคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นกฎแห่งกรร ม, ม, ใ, หมให้ละการกระทําบาปทั้งปวงไงไหมไม่ให้ทําบาป ให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งนั้นแต่เป็นกรรมดีเป็นกรรมที่จะพาให้จิตขึ้นสูงให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้จิตได้พบกับความสุขที่เต็มร้อยขึ้นมาภายในใจและเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมด นี่แหะคือกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าทรงมาค้นพบไม่ได้เป็นคนเขียนกฎแห่งกรรมไม่ได้เป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าค้นพบกฎแห่งกรรมที่ที่เป็นกฎที่กฎธรรมชาติแต่กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับจิตใจไม่ใช่กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับเด่นน้ํำลมไฟคนละกดกันกฎทางธรรมชาติก็พวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาค้นพบ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าทําไมผลไม้เวลามันหลุดออกจากขั่วมันถึงตกลงมาที่พื้นทําไมมันไม่ลอยขึ้นไปอทําไมรู้ไหมโยมรู้เปล่าว่าทําไมเวลาซ่อมมันหล่นมันทำไมไม่ไม่ลอยขึ้นไปเวลามันก็เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดดึงให้มันลงมาก็เลยค้นพบว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดทําให้พวกเราเนี่ยอยู่บนผิวโลกได้ ถ้าโลกไม่มีแรงหนึ่งดูดพวกเราจะลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยเชื่อไหมเหมือนกับพวกที่ไปอยู่ในอาวากาศอาวากาศนี้ไม่มีแรงหนึ่งดูดของโลกยานอาวากาศนี่เขาลอยหัวหัวลงดินหัวเท้าชี้ฟ้าเขาอยู่ในทิศไหนเขาก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีแรงหนึ่งดูดจะบอกเขาว่าเขาอยู่บนดินไม่ อ, อยู่บนฟ้า อ, อันนี้เขาก็เลยค้นพบวิธีทาให้เขา สามารถลอยขึ้นฟ้าได้สร้างจรวดสร้างเครื่องบินขึ้นมาได้ถ้าสามารถทําให้มีแรงดึงดูดให้ขึ้นสูงนี้มีมากกว่าแรงดึงดูดของโลกก็สามารถทําให้ตัวเราลอยขึ้นมาได้เขาเลยสร้างเครื่องบินกันขึ้นมาสร้างคอเห็นไหมคอมันก็มีใบพัดเนี่ยใบพัดมันก็จะพัดให้ลมนิ่ดันเครื่องให้ลอยขึ้นไปเอ ถ้าหอมันหยุดพัดเมื่อไหร่มันก็ตกลงมาทันทีแรงหนึ่งดูดมันก็จะดึงกลับลงมาอันนี้กฎทางธรรมชาติอันนี้พวกนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าได้นนเขารู้หมดเรื่องกฎทางธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินถลม่มพายุเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาศึกษาได้แต่เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้เขาไม่รู้นนนนเขานนเขาไม่ฉลาดเท่าพระพุทธเจ้า เขาสามารถพิสูจน์กฎของทางธรรมชาติได้แต่เขาไม่สามารถพิสูจน์ทางกฎแห่งกรรมได้เพราะว่าต้องใช้ความรู้อีกระดับหนึ่งความสามารถอีกระดับหนึ่งซึ่งนานๆจะมีคนที่ ม, ค ม, ามาีความสามารถระดับนี้มาเกิดในโลกนี้สักคนหนึ่งนคนที่มาเกิดแล้วมาค้นพบกับกฎแห่งกรรมนี้คือพระพุทธเจ้าเท่านั้น คือพระโพธิสัตว์พูดง่ายๆก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนพระโพธิสัตว์คือผู้ที่เชื่อบุญเชื่อบาปแต่ยังพิสูจน์เองไม่ได้แต่อาจจะเกิดมาแล้วมีเคยคอยสั่งคอยสอนในสมัยเป็นเด็กตอนนั้นจิตใจยังไม่แก่กล้ายังอาจจะมาเกิดในยุคที่มีาศาสนาพุทธอย่างพวกเรานี้ก็ได้พวกเรามาเกิดยุคนี้อาจจะมา ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็อาจจะเชื่อขึ้นมาเชื่อขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็พยายามทำแต่ว่ายังเชื่อไม่เต็มร้อยยังทำไม่เต็มร้อยทาบ้างไม่ทำบ้างเพราะยังมีกิเลสดากิเลสยังหลอกให้ไปหาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโน้จากลาบยศสารเสริญอยู่ก็เลยมาทำบุญไม่ได้มากแต่ก็พยายามทาไปเรื่อย ต่อไปก็อาจจะเป็นนิสัยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็อยากจะทําบุญนะก็จะเริ่มสร้างบารมีขึ้นมาเนี่ว่าทานบารมีศีลบารมีเนคะข ม, มบารมีอนะุเบกขาบารมนะีพอเริ่มทําบ่อยๆเข้ามันก็จะทํามากขึ้นมากขึ้นต่อไปเวลามาเกิดแต่ละภพแต่ละชาตินี้ก็จะ ตุ้มเทให้กับการสร้างบารมีก็ได้จะก็จะกลายเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นมาพระโพธิสัตว์นี่แหละเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหากฎแห่งกรรมได้อย่างเจ้าชายสิทธัตถะของพวกเราเน่ก่อนที่ท่านจะไปเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็ไปเป็นพระเวสสันดรมาก่อนเป็นพระเตมีมาก่อนเป็นพระมหาชานกมาก่อนคือเป็นพระ เป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบรารมีชนิดต่างๆโพธิสัตว์นี้เขาจะทำอะไรแบบสุดๆเข้าใจไหมทำไม่เหมือนคนทั่วไปทำทำบุญก็แบบทุ่มเต็มที่เลยคนอื่นนี่อาจจะทำร้อยสองร้อยแต่คนที่เป็นพระโพธิสัตว์นี้อาจจะทำเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะเขามีความเชื่อในบุญในบรารมีเขาก็จะทุ่มกับการสร้างบุญบรารมีต่างๆ แล้ววันหนึ่งบุญบา ร, รมีทั้งหลายที่ทุม่มที่ได้สะสมมามันก็จะพร้อมที่จะออกดอกออกผลนะเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกนะตอนต้นเราปลูกมันก็เป็นเพียงแต่ต้นไม้เล็กๆเราก็ขยันเติมคอยรดน้ำคอยรักษามันนะต่อไปมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นเดี๋ยววันดีึ้นดีมันก็ออกลูกมาให้เราออกผลให้เราทันทนะีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราบาเพ็ญ บารมีทั้งสิบนี้อย่างต่อเนื่องทานบารมีทำเป็นนิสยัยเมตตาบารมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศีลบารมีไม่เบียดเบียนไม่ทำบาปได้ขมมะบารมีถือศีลแปดออกบวชอุเบกขาบารมีนั่งสมาธิให้จิตสงบก็ได้อุเบกขาปัญญาบารมีก็คิดค้นคว้าหาเหตุหาผลความจริงของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับจิตใจทําไมจิตใจของเราวันนี้ทุกทําไมวันนี้พรุ่งนี้ไม่เมื่อวานนี้ไม่ทุกเออเมื่อวานนี้จิตเราไม่อยากวันนี้จิตเราอยากมันก็จะเห็นความแตกต่างขึ้นมามันก็จะเกิดปัญญาเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆจนพอมาถึงชาติสุดท้ายเนี่ยพอมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เลยพร้อมที่จะไปบวชนะความที่จะทําทานบา ร, รมีขั้งสุดท้ายสละราชสมบัติ ความที่จะไปรักษาศีลบารมีความที่จะไปเจริญเนคข ม, มะบารมีความที่จะไปเจริญอุเบกขาปัญญาบารมีด้วยวิริยะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยสัจจะบารมีด้วยขันติบารมีก็เลยทําให้ตัสลูกฎแห่งกรรมนี้ขึ้นมาค้นพบกฎแห่งกรรมค้นพบว่า บุญทาให้จิตใจขึ้นสูงบาปทาให้จิตใจลงต่ากิเลสตัณหาเป็นเหตุพาให้จิตใจมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจสิ่งที่จะกำจัดกิเลสตัณหาได้ก็คือความจริงของธรรมชาติของสิ่งที่กิเลสตัณหาอยากได้นั่นเองก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเห็นสิ่งต่างๆที่เกิรตันหาอยากได้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกิรินี้เป็นอันนี้จังทุกขงังอนัตตาก็ไม่อยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียไปได้มาทำไมเวลาเสียเราเสียใจไหมเวลาได้เงินมาดีใจไหมพอเวลาเงินหมดไปเสียใจไหมถ้าไม่มีเงินตอนนี้ไม่เสียใจแล้วไปอยู่ดีๆไปหาความเสียใจทาไม ด้วยการไปหาเงินหาเงินดีใจเดี๋ยวพอเงินหมดก็จะเสียใจตอนนี้ไม่มีเงินไม่เสียใจอย่างไรจะดีกว่าดีกว่ากันสู้ไม่มีเงินดีกว่าอยู่แบบไม่เสียใจดีกว่า น, นี่ก็จะเป็นการใช้ปัญญาที่จะทำให้เลิกความอยากต่างๆได้ <c oughs> พอเลิกความอยากกำจัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปนะ นี่แหพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่นานๆจะมีมาตัดสัตวเป็นพระพุทธเจ้ากันสักครั้งหนึ่ง<ม>ระหว่างพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เวลานี่<ม>ห่างเป็นกับ<ม>กับนี่ก็เหมือนกับเอาเอาตัวเลขเลขหนึ่งเขียนด้วยตามด้วยตัวศูนย์สักแสนเลขอย่างเงี้ยอ<ม>ถึงจะได้ปีเ ป, เป็นปี หนึ่งปีก็เขียนด้วยเลขตัวหนึ่งใช่ไหมสิบปีก็เติมศูนย์ก็ไปตัวหนึ่งร้อยปีก็เติมไปสองตัวหนึ่งกับก็เอาศูนย์มาเติมสักแสนตัวนั่นนะถึงจะได้เวลาหนึ่งกับนั่นแหละระยะเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่งใครมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ถือว่าได้แจ็คพอตถูกรางวัลที่หนึ่ง เพราะโอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนี้มันง่ายกว่าโอกาสที่ได้มาเจอคำสอนเจอพระพุทธศาสนาเนเพราะถ้าได้เจอแล้วเราก็จะได้รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมกันนั่นเองเราก็จะได้สามารถแก้ปัญหาที่เราติดกันอยู่คือเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างยาวนานร้องหมบร้องไห้มาน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเราก็จะสามารถ แก้ความทุกขเหล่านี้ได้กำจัดความทุกขเหล่านี้ได้ถ้าเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนามาเจอกับพระพุทธเจ้าเองหรือเจอกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนหรือพระอริยสงสาวกเนพอได้เจอแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วรู้ว่าวิธีที่จะปฏิบัติกับกฎแห่งกรรมเพื่อทาให้เราได้รับประโยชน์ ไม่ต้องรับโทษก็คือทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นเองคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงอย่าทำบาปโดยเด็ดขาดให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ไปบวชไปปฏิบัติจิตภาวนาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิก่อนจะไปบวชได้ต้องสละ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปก่อนถ้ายัางติดทับสมบัติเข้าของเงินทองก็ไปบวชไม่ได้เมื่อไปบวชไม่ได้ก็ไปชําระไม่ได้ชําระใจให้สะอาดบอยสุดธิ์ไม่ได้แล้วก่อนจะทําทบุญได้ก็ต้องละการกระทําบาปให้ได้ก่อนอห้ามทําบาปโดยเด็ดขาดอพอไม่ทําบาปแล้วเราก็จะได้มีเวลามาทําบุญกัน มีทรัพย์สมบัติเข้าของอะไรมากน้อยก็ทำให้มันไปหมดไปเลยหมดแล้วจะได้ไปบวชพอบวชก็จะได้มีเวลามาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทั้งหมดเล ย, <excuse me. S 2> ยนี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าสมมติว่าข่าวหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีคาสอนสามอย่างนี้มาสอนเราเนยะ จะไม่มีใครมาบอกว่าอย่าทําบาปนะให้ทําบุญให้มาชําระกิเลสตัณหานะจะไม่มีใครจะกลับสอนตรงกันข้ามกันไปสังเกตดูประเทศที่ไม่มีศาสนาเลยเขาสอนให้ฆ่ากันฆ่าฟันกันใช่ไหเขาไม่สอนให้ทําบุญกันเขาไม่สอนให้กําจัดกิเลสกันเขาสอนให้ทําตามกิเลสกันอยากจะได้อะไรทำไปเลยอยากมีอะไรหามาเลย แต่ในทางถ้ามาเจอาศาสนาก็จะสอนให้เรารู้ว่าการกระทำบาปไม่ดีการทำบุญดีการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดีเพราะจะทำให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปตอนนี้ต้องรอให้มีาศาสนาพวกเราถึงถึงถือว่าโชคดี โอกาสท yes ี่ได้มาเจอศาสนานี้ยากกว่าโอกาสที่จะถูกรอตอรี่รางวัลที่1ถ้าเปรียบเทียบตามตามสถิตินะตามความเป็นไปได้นะสมมติว่าโอกาสที่จะถูกรอตอรี่รางวัลที่หนึ่งหนึ่งในล้านโอกาสที่จะมาเจอศาสนาพุทธนี้อาจจะเป็นหนึ่งในแสนล้านถึงจะได้มาเจอศาสนาพุทธสักทีถ้าไม่เจอศาสนาพุทธก็จะไม่รู้วิธี ทีจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเวียนว่ายตายเกิดมาล้องหม่มล้องไห้กันอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่กันตอนนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปใจแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาทําตามความอยากสามประการนี้ใหม่มาหาความสุขจากการมาสุขมาหาความสุขจาก รูปปัจจานมาหาความสุขจากอารมูปประชานกันภาวะทันหาก็ความอยากความได้ความสุขจากรูปประชานวิปภาวะทันหาความอยากได้ความสุขจากรูปประชานอันน to ี้ก็จะทําให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะเกิดดีก็ต้องตายเกิดไม่ดีก็ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องร้องหอบร้องไห้ ต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่เรื่อยๆดังนั้นชาตินี้เราจึงถือว่าเป็นชาติที่เราได้ถูกรอตตอรีรางวัลที่หนึ่งทีเมื่อเราถูกรอตตอรีรางวัลที่หนึ่งเราต้องทำอะไรเราก็ต้องไปรับรางวัลใช่ไหมถ้าถูกรอตตลีแล้วเก็บรอตตลีไว้เฉยๆจะได้รางวัลหรือเปล่าไม่ได้ก็ต้องเดินทางไปที่เขาให้ไปแกลกรางวัล<ๆ>แล้วเขาอาจจะต้องให้เราเอาบัตรประชาชนไปแสดงตัวว่าเราเป็นใคร เราอาจจะต้องกอกข้อข้อความเขียนไว้เป็นหลักฐานว่าเราเป็นผู้ถูกสลากและเราเป็นผู้ได้รับรางวัลไปแล้วก็ถึงจะมอบรางวัลให้กับเราฉันใดการถูกสลากรางวัลที่หนึ่งของพุทธศาสนาก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะรับรางวัลของศาสนาพุทธคืออยากรับพระนิพพานอยากรับการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมา ทำตามเงื่อนไขของศาสนาก็คือต um ้องละทำบาปต้องละต้องรักษาศีลให้ได้ทุกระดับตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปตอนต้นก็หัดรักษาศีลห้าแล้วก็ละเว้นอบายมุขทั้งหมดอบายมุขก็ไม่เสพไม่เล่นการพนันไม่ดื่มชุราไม่เที่ยวกลางคืนหรือกลางวันไม่เขี้ยบทานไม่คบคนชอบอบายมุขเป็นมิตร อันนี้ก็ต้องละห้ได้แล้วก็ละการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์ละการประพฤติผิดประเวณีละการพูดปดอพอทำได้ห้าข้อนี้แล้วก็ต้องเพิ่มเป็น8ข้อข้อที่สาก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกันแล้วก็เพิ่มสินข้อหคือไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไม่หาความสุขจากการกินอาหาร กินเพื่ออยู่ไม่กินไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่หาความสุขจากการดูเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสเช่นดูแต่งฟังเพลงน้องนําทําเพลงไปเที่ยวตามงานต่างๆแล้วก็ไม่นอนมากเกินไปไม่นอนแบบสุขสบายเกินไปนอนบนพื้นธรรมดาพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อเพื่อจะได้ไม่นอนมากถ้านอนบนพูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันจะนอนสบาย แล้วมันจะนอนมากทำไมทำไมไม่ให้นอนมากเพราะเราต้องการเอาเวลามากำจัดกิเลสมาซักพอกใจเราต้องมาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิเข้าฌานกันแล้วเราก็ต้องมาเจริญวิปัสสนามาฟังเทศฟังธรรมกันเราถึงจะสามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เนี่ยเราจึงต้องมาหัดถือศีลกันให้ได้ทุกระดับ เบื้องต้นก็นเอาศีลห้าก่อนพอได้ศีลห้าก็เลื่อนขึ้นไปสู่ศีลแปดจากศีลแปดก็ไปเป็นศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดถ้าไปบวชเป็นพระ<ม>ถ้าเป็นบวชแค่ชีก็ศีลสิบก็พอ<ม>ก็สามารถที่จะห้ามการกระทำบาปห้ามไม่ให้จิตใจตกลงไปในอบายได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายได้แล้วก็จะได้ดึงจิตใจให้ขึ้นสูงได้ เพื่อการทําบุญทําทานมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็พยายามทำให้มันหมดหมดแล้วจะได้ไปไปถือศีลสิบได้ไปบวชได้จะได้มีเวลามาซักพอกจิตใจให้สะอาดได้อย่างเต็มที่ถ้ายังต้องใช้เงินทองยังต้องหาเงินทองอยู่มันก็จะไม่มีเวลาไปบวชไปไปปฏิบัติ วิปัสนาไปปฏิบัติสมถกรรมฐานถ้าอยากจะซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มันเสร็จกิจภายในชาตินี้พบนี้ก็ต้องไปบวชกันถ้าเป็นคารวาะยังทาแบบยังอยากหาความสุขจากแฟน ย, ยังอยากอยู่กับแฟนยังอยากเที่ยวยังอยากดูหนังฟังเพลงอยู่แต่ก็อยากจะไปนิพพานนี้มันไปด้วยกันไม่ได้ ต้องยยกต้องเลือกทางว่าจะไปทางไหนจะเอาความสุขระดับต่ําหรือจะเอาความสุขระดับสูงถ้าจะเอาความสุขระดับสูงก็ต้องต้องทิ้งความสุขระดับต่ําถ้าอยากจะเอาความสุขระดับต่ําก็ไม่สามารถขึ้นไปหาความสุขระดับสูงได้ต้องเลือกเอาเหมือนเวลาจะบินเครื่องบินนี่มันก็มีหลายชั้นให้เรานั่งใช่ไหมมีชั้นถูกชั้นแพง ก็ต้องเลือกเอาว่าอยากจะนั่งชั้นไหนจะบอกเจ้าสักสองชั้นมันไม่ได้นต้องเลือกนั่งชั้นใดชั้นหนึ่งอยากจะนั่งชั้นสูงก็จ่ายเงินสูงจ่ายเงินแพงหน่อยอยากจะนั่งชั้นต่ําก็จ่ายเงินน้อยหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะได้ความสุขชั้นต่ําก็ทําบุญน้อยหน่อยทําบุญแบบระดับต่ําถ้าอยากจะได้ความสุขระดับสูงก็ต้องทําบุญระดับสูง จะเอาทั้งสองอย่างมาทำปนกันไม่ได้เหมือนกับจะเอากาแฟเย็น <g rab> กับกาแฟร้อนมารวมกันไม่ได้มันจะไม่เป็นกาแฟร้อนหลือเป็นกาแฟเย็นมันเป็นกาแฟอุ่นๆร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นอันนี้ก็เหมือนกันถ้ายังยังอยากจะมีแฟนแล้วยังอยากจะไปนั่งสมาธิอยู่มันก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยสลับไปสลับมาก็ไม่ได้สักสอย่างไม่ได้สักอย่าง อย่างนี้ก็ได้ครึ่งเดียวอย่างนี bom, jas, uh ้ก uh ็ไ huh. ด <transparency S 3> uh ้ค huh. ร e cool, ึ่งเดียวเห็นั้นต้องเลือกเอาถ้าอยากจะได้ความสุขที่สูงแล้วก็ได้ความทุกข์น้อยลงไปก็ต้องตัดความสุขที่ต่ำที่มีความทุกข์ที่มากกว่าตอนต้นก็เลยต้องมาพยายามเลิกหาเงินเลิกใช้เงินพอเราหยุดใช้เงินหาเงินได้เราก็จะมีเวลาไปบวชได้ เงินทองที่เรามีเหลืออยู่เราก็ทําบุญยกให้คนอื่นไปได้หมดอพอเราไปได้แล้วทีนี้เราก็จะได้ไปชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อตอนต้นเราก็หัดทําตอนที่เรายังไม่ได้บวชก่อนเพราะเรายังไม่มีกําลังที่จะไปบวชเราก็เอาเวลาว่างที่เราจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงนี้มาฝึกสมาธิกันมานั่งสมาธิมาถือศีลแปดกัน มาถือศีลแปกันในวันหยุดทำงานในวันที่เรามีเวลาว่างก่อนมาหัดอยู่วัดก่อนอาทิตย์ละวันเช่นวันพระแทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงเราก็มาอยู่วัดมาถือศีลแปดกันพอเรามาหัดนั่งสมาธิได้เราได้พบความสุขที่ดีกว่าเราก็จะอยากได้มากขึ้นต่อไปแล้วก็อาจจะมาอยากจะมาอยู่หลายวันตอนตอนต้นก็อยู่แค่วันหนึ่งก่อน แต่พออยู่แล้วได้ผลดีก็จะติดใจอยากจะมาอยู่เพิ่มมากขึ้นต่อไปก็จะมาหลายวันครั้งหนึ่งก็มาสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างเดินหนึ่งบ้างจะเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ที่สุดก็ไม่อยากจะกลับบ้านนะอยากจะอยู่วัดไปตลอดก็บวชเลยบวชชีบวชพระไปเลยทีนี้ก็ได้อยู่วัดได้ หาความสุขที่สูงกว่าชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จนในที่สุดก็ไม่มีตัวที่จะบด듬ให้จิตใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจิตก็จะบรรลุถึงพานิพานขึ้นมาจิตก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้คือระดับสูงสุดของการพัฒนายกระดับของจิตใจ ให้ขึ้นไปจุจดสูงจุดที่ไม่มีความทุกข์เป็นจุดที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สอนเป็นผู้นําทางมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาตวนะนี้หมายถึงเราเพิ่มท่านในในความรู้ของท่านเราไม่ได้เพิ่มในความ อ, าอิทธิปาฏิหารของท่าน ไม่ได้ไปพึ่งท่านเพื่อให้ท่านมาเสกให้เรารวยอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีพึ่งนะไม่ได้มาเสกให้เราเก่งให้เราเลิศให้เราวิเศษท่านเสกเป่าให้เราเก่งให้เราเลิศให้เราวิเศษไม่ได้ท่านเพียงแต่สอนให้เราเก่งให้เลิศให้วิเศษได้เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนสอนให้เรายกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นจากระดับของมนุษย์ ให้ขึ้นไปเป็นระดับของพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอราหันต์กันนี่คือที่พึ่งของเราเราจึงต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันถ้าเราไปปฏิบัติโดยที่ไม่ศึกษาเดี๋ยวก็ปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกแทนที่จะไปนิพพานกับกายไปนรกก็ได้คือไป ไปหลงทางไปคิดว่าตนเองบรรลุแล้วก็ได้ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้บรรลุแต่ไปคิดว่าตนเองบรรลุแล้วนั่งแล้วเห็นหนูน่นเห็นนี่ขึ้นมาก็คิดว่าเห็นนิพพานเห็นนรกเห็นสวรรค์ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็จะทําให้หลงทางต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าการเป็นพระอรหันต์ี่เป็นอย่างไรต้องกําจัดอะไรถึงจะได้เป็นพระอรหันต์กันเ ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องกำจัดต้องกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจและสิ่งที่จะมากำจัดได้ก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองสติมีหรื อ, อยังปัญญสมาธิมีหรื อ, อยังปัญญามีหรื อ, อยังถ้ายังไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะบอกว่าบรรลุธรรมขึ้นมานี่เป็นการเปิดไปไม่ได้บางคนไม่มีสตินั่งสมาธิแบบไม่มีสติ นั่งแล้วก็คิดดูอะไรไปในใจแล้วก็คิดว่าโอ้ยถึงนี่ผ่านแล้วเหมือนกับนั่งรถอย่างนี้นั่งรถก็ดูดูถนนดูข้างทางผ่านไปผ่านไปโอ้เราถึงเมืองชนแล้วถึงกรุงเทพแล้วอันนี้มันนั่งคิดไม่ใช่นั่งสมาธิเนพวกนั่งแบบนี้พวกที่เหลือนั่งแล้วเป็นบ้ากันเข้าใจมเพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาวิธีนั่งที่ถูกต้องว่าต้องนั่งอย่างไร ดันั้นเราต้องศึกษาถ้าเราไม่อยากจะหลงทางถ้าเราไม่อยากจะเสียสติเนเราต้องศึกษาวิธีปฏิบัติขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นทำบุญทำทานขั้นรักษาศีลขั้นเจริญสติขั้นนั่งสมาธิขั้นวิปัสสนานี้ทำอย่างไรถ้าไม่เรียนแล้วก็จะจะหลงทางได้พอเรียนแล้วเราก็จะรู้ แล้วพอเราไปปฏิบัติก็จะไม่หลงทางแล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนดังนั้นการที่เราจะไปในทางนี้ได้นั้นเราจึงต้องมีครูบาอาจารย์จะเป็นครูบาอาจารย์ในรูปแบบของหนังสือธรรมะก็ได้หรือในรูปแบบของอาจารย์เองก็ได้ภาพสุ ป, ปฏิบันโนทั้งหลายก็ได้ ซึ่งเดียวนี้ก็มีการบันทึกคำสอนของท่านไว้ในหนังสือในทีวีในโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ได้อ่าน<ม>ศึกษาแล้วํำเอาไปปฏิบัติได้<ม>ถ้าปฏิบัติแล้ว<ม><ม>การยกระดับจิตใจของเราก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับ<ม><ม>จากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุด นี่แหละคือเรื่องกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้แล้วนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเราเราก็จะทําอะไรไปตามอารมณ์ของเราวันไหนยอยากจะทําบุญก็ทําวันไหนยอยากจะทําบาปก็ทําวันไหนยอยากจะทําตามกิเลสก็ทําวันไหนไม่ทําตามกิเลสก็ทํามันก็เลยสับสนไปวนไปเวียนมา ถ้าเป็นเรือก็วนอยู่ในอ่างนั่นนะไม่ไม่ไปไหนสถทีวนอยู่ในอ่าวไม่ออกไปเพราะไม่ตั้งเป้าไว้ให้มันไปทางไหนทางใดทางหนึ่งแต่พอมีคำสอนมาบอกว่าต้องตั้งเป้าไปทางนี้นะต้องไม่ทําบาปต้องทําบุญต้องชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราตั้งเป้าแล้วทีนี้เราก็จะเดินทางไปทิศทางเดียวไปสู่จุดหมายปลายทางที่เลิศที่วิเศษต่อไป อาแลวนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปกปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุ สัพเพปเรนตตสังกาปาจันโทปนาวาโสยทามณนิโชติภระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสสตูมาเตภวะโตอันตารายุสุขีทีคายุโกภวะ าพิวาทานาสีลิธสานิจังวุธาปัจจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวันโสอสุขังทารังรช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามคำถามใครมีคบถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าแม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ขออย่าถามหลังจากที่เราเลิกกันเลิกประชุมแล้วก็ขอหยุดขอพักผ่อนหมดแรง <c oughs> ถ้าอยากจะถามถามตอนช่วงนี้ว <c oughs> ันนี้ทางบ้านผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สอง3้อยเก้าสิบสามยูทูบสองร้อยสี่สิบสามทยออนไลน์ยี่สิบก ผู้รับฟังบนเขา74รวม636ท่านค่ะใครอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปต้องพูดดังๆหน่อยนะจะได้ถึงเยนได้ยินเสียงพูดใกล้ๆปากนะกาบนมัสการเจ้าค่ะอยากจะถามว่าสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ คือกรรมฐานนี้คืออารมณ์ที่เราใช้ในการฝึกจิตใจถ้าเราต้องการฝึกจิตใจให้สงบ ก, ก็จะใช้กรรมฐานแบบที่เหมาะกับสมถะคือพวกอนุสติเช่นทำบริกรรมพุทธล่าเล็กถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี้เรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรมานุสติ เือจะทำให้ใจสงบอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ทำให้เกิดปัญญาถ้าอยากจะให้เกิดปัญญาต้องใช้อย่างอื่นอารมณ์ที่ใช้กรรมฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาเช่นมรณานุสติเราเลิกถึงความตายจะทำให้เราเห็นอนนิจจังทุกขังอนัตตาหรือดูอาการส2สสองของร่างกายว่าไม่สวยไม่งาม อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะนี้ไม่เกิดปัญญาเกิดแต่ความสงบทำให้ใจนิ่งเวลาเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าใจเราก็จะนิ่งเย็นสบายแต่เราจะไม่เห็นปัญญาไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราเลึกถึงความตายเกิดแก่เจ็บตายเราจะเห็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกาย หรือเราพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้ทามาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกับต้นไม้อันนี้ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่เราต้องผ่านสมถะกรรมฐานก่อนเราต้องฝึกจิตให้สงบก่อนเราถึงเราจะสามารถใช้วิปัสสนากรรมฐานได้ ถ้าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่พร้อมที่จะไปสู่วิปัสสนากรรมฐานเนื้อเรื่องตอนต้องฝึกพวกอ น, นุสติก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนหรือดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเป็นการฝึกสมถะทําจิตให้เป็นสมาธิให้สงบพอจิตสงบแล้วจิตจะมีกําลังที่จะไปใช้วิปัสสนากรรมฐานได้ถ้ายังไม่มีสมถะเราจะไม่อยากจะคิดถึงความตายกัน จะไม่อยากจะพิจารณาสุภาษไม่อยากจะพิจารณาอาการสามสิบสองเราก็ต้องรอให้จิตมีกำลังก่อนให้จิตเป็นผู้ใหญ่ก่อน<ม>จิตที่ไม่มีสมาธิเนี่ยเป็นจิตเหมือนเด็กจิตของเด็กอยู่แต่ถ้าจิตที่มีสมาธิแล้วจะเป็นจิตของผู้ใหญ่<ม>คือมีความหนักแน่นมีอุเบกขามีความไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ แต่ถ้ายังไม่มีอุเบกขาไปพิจารณาทางวิปัสสนาเดี๋ยวเกิดอาการหดหูขึ้นมาได้พอคิดถึงความตายก็จะหดหูท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วจิตใจจะแ่งจะแข็งจะไม่หวั่นไหวกับเวลาไปพิจารณาความตายหรือพิจารณาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามต่าง จึต้องสร้างสมถะกรรมฐานขึ้นมาก่อนสร้างสมถภ า, าวนาขึ้นมาก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนพอได้สมาธิแล้วทีนี้เราก็ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อได้พิจารณาร่างกายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอสุภะซากศพพิจารณาดินน้ำลมไฟต่างๆได้พอใจแล้วยังแข็ง okay. <c oughs> คำถามต่อไปอค่ะคำถามจากคุณหนุ่มผมทำสมาธิมาประมาณสี่ปีแล้วมาระยะหลังนี้ทำไมทำแล้วไม่สงบจิตใจร้อนรนไม่ค่อยมีสติทั้งที่แรกๆที่เริ่มทำเมื่อสี่ปีที่แล้วก็จะสงบดีจะแก้ไขอย่างไรครับเป็นมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับ ก็ต้องฟื้นฟูสติขึ้นมานั่นเองต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆคือใช้คําบริกรรมก็ได้ใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ได้ร่างกายกําลังเคลื่อนไหวกําลังทําอะไรก็จดจ่ออยู่กับการทํางานเดินก็จดจ่ออยู่กับการเดินอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็จดจ่ออยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอย่าปล่อยให้ใจคิดไปกับ ขณาดเดียวกับที่เรากําลังทํางานอยู่ mm. ต้องดึงใจให้มาอยู่กับงานที่เราทําเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อาบน้ําไปก็คิดถึงเดี๋ยวจะไปที่ไหนดีเดี๋ยวจะไปทําอะไรอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติ mm. ถ้าใจไม่มีสติเวลานั่งสมาธิมันก็คิดเรื่อยเปื่อยมันไม่หยุดคิดนล mm. แต่ถ้ามีสติเราให้มันอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธดังนั้นสิ่งที่เราขาดก็คือสติ mm. เราต้องสร้างสติก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่มาสร้างสติตอนที่เรานั่งเพราะมันจะไม่ทันพอนั่งไปสักพักมันก็จะเจ็บจะเมื่อยมันก็จะอยากจะเลิกขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมาก่อนพอเรานั่งไม่นานมันก็สงบแล้วเราก็จะนั่งได้นานไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรดังนั้นต้องพยายามฝึกสติก่อนที่จะมานั่ง จะใช้คําบาลีคำพุทโธก็ได้ลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ อ, อาบน้ำกับพุทโธล้างหน้ากับพุทโธแปรงฟันกับพุทโธแต่งตัวกับพุทโธกินอาหารกับพุทโธไปอย่างนี้จะมีสติเยอะพอมานั่งสมาธิให้พุทโธต่อก็ได้ให้ดูลมต่อก็ได้มันก็จะสงบได้เร็วคําถามจากคุณวิจัย พระสกิดาคามีมักพระสกิดาคามีปฏิมักและพระโสดาคามีปฏิผลต่างกันอย่างไรครับมักกับผลเหรอมักก็คือบันไดไงผลก็คือชั้นที่เราต้องการขึ้นไปพระอริยบุคคลมีอยู่สี่ชั้นด้วยกันชั้นโสดาบันชั้นสกิดาคามีชั้นอนาคามีชั้นอนารหัน การที่จะขึ้นไปสู่แต่ละชั้นได้ต้องมีบันไดเดินขึ้นไปเหมือนเราจะเดินขึ้นชั้นหนึ่งนี่เราก็ต้องมีบันไดาจากชั้นชั้นพื้นดินขึ้นไปสู่ชั้นหนึ่งนการเดินขึ้นบันไดเรียกว่ามัคมัค ก, ก็คือการการศึกษาวิธีกําจัดกิเลส ท, ที่ทําให้จิตใจไม่ไม่ได้ขึ้นสูงพอเราศึกษาวิธีกําจัดกิเลส ท, ที่ขวางกั้นเราสําเร็จเราก็จะขึ้นไปสู่ชั้นที่1 ได้ชั้นที่สองได้ตามลาดับแต่และชั้นก็จะมีบันไดขึ้นไปมักแปลว่าทางหรือบันไดส่วนผลก็คือความสําเร็จเมื่อเราเดินขึ้นไปเราก็พอถึงบันไดขั้นสุดท้ายเราก็สําเร็จเราก็ขึ้นสู่ชั้นที่เราต้องการขึ้นไปได้เช่นชั้นโสดาบันนี้จะต้องทํำยังไงต้องละสังโยชน์สามัญ คือละส ก, กายทิฏฐิละมิวิจิกิจฉาละศีลพัตตะปราม a m a ก็ต้องใช้ปัญญาคือต้องใช้ไตรักใช้ อ, ร, อริยสัจสี่ถึงจะสามารถละสิ่งเหล่านี้ได้นะการละการศึกษาการเจริญปัญญาเรียกว่ากําลังเจริญมากการพิจารณาไตรักต่างๆนี้เร้วกําลังเจริญมากพอจะพิจารณาเสร็จพอจิตปล่อยวางได้จิตดับความทุกข์ได้ ก็ขึ้นไปสู่ชั้นโสดาบันได้ทั้งสกิดาคามีก็เหมือนกันทั้นสกิดาคามีต้องทําให้กามอารมณ์เบาบางลงก็ต้องพิจารณาอสุภาการพิจารณาสุภาเรียกกําลังจเจริญขั้นสกีดาคามีแล้วพอทําให้กามอารมณ์เบาบางได้ก็ได้ผลคือได้สกีดาคามีผลขึ้นมา การมารลมยังไม่หมดเพียงแต่ทำให้มันน้อยลงไปเมื่อก่อนมีการมารลมตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ลดลงเหลือแค่12ชั่วโมงเ อ, อเพราะเวลาเห็นอสุภะมันก็จะไม่มีกามารลมเวลาไม่ได้เห็นอสุภะมันก็เกิดการมารลมขึ้นมาได้แต่ถ้าไปถึงขั้นของอนาคามีมครคนี้จะเห็นตลอด24ชั่วโมงการมารลมก็จะหายไปหมด หลการมารมหายไปหมดก็ได้ถึงได้ชั้นพระอนาคามีขึ้นมานี่คือเรื่องมรรคกับผลนค่ะคุณสุพันธ์ีอยากให้หลวงพ่อสอนเรื่องทางสายกลางเจ้าค่ะทางสายกลางมันก็ไม่ซ้ายไม่ขวาไงอยู่ตรงกลางทางที่เราเดินเนี่ยเป็นทางดับทุกข์นี่ทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงคนพบว่ามันมีสามทางที่มนุษย์เรา พยายามใช้การหากันอยู่ทางที่เรารู้กันมากที่สุดก็คือทางใช้กรรมกมกา ม, มาสุขมาดับทุกข์ให้เราเบื่อหน่ายจอยู่ทำงานจำเจซ้ำซากก็อยากไปเที่ยวบ้างอพอไปเที่ยวความทุกข์ที่เกิดจากการจำเจซ้ำซากเบื่อหน่ายก็หายไปแต่พอกลับมามันก็กลับมาใหม่คือเป็นการกำจัดแบบไม่ถาวรกำจัดแบบชั่วคราว เรียกว่ากามาสุขอะไรเนี่ยเป็นวิธีการใช้กามมาระ ง, งับความทุกข์ซึ่งพระพุเจ้าก็มีเป็นมาแล้วเคยมิเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็มีความสุขทางการมาสุขมามากมายแต่ความทุกข์ก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆความทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่มัน มันไม่หายเวลาเราไปใช้กา ร, รมาสุขมาดับมันดับมันไม่หายเวลาเราไปเที่ยวเราก็เดิมลืมมันสักพักหนึ่งเราก็ลืมเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายไปพอกลับมาทำงานกลับมาอยู่บ้านกลับมาเจอคนแก่คนเจ็บคนตายก็ความทุกข์มันก็กลับมาใหม่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสุดตรงไปทางทางกรรม อีกวิธีนึ่งก็พวกดูสีชีไพยที่คิดว่าการทรมานร่างกายต่างๆจะทำให้ไม่มีความทุกข์ก็เช่นนั่งบนบนที่นั่งที่มีของแหลมคมหรือเอามีดอะไรมาบาดเอาของแหลมมาทิ่มปากทิ่มคออะไรต่างๆเหล่านี้คิดว่าถ้าทนกับความเจ็บปวดได้ก็จะพ้นทุกข์มันก็ไม่พ้นเองพระพุทธเจ้าก็เคยลองอดอาหารสี่สิบเก้าวัน ก็ยังมันมันก็ยังทุกข์อยู่ก็เลยบอกว่าทางสองทางนี้เป็นทางสุดตรงแล้วก็ม า, ามาเจอทางสายกลางคือทางศีลสมาธิปัญญาว่านี่แหละคือทางที่จะพาให้สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงต้องปฏิบัติศีลต้องรักต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ต้องมาเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ แล้วทีนี้ก็จะความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดนี่แหละนี่แหละก็เรียกว่าทางสายกลางหรือทางภาษาพระเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เองมรรคที่มีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะปะไปจนถึงสัมมาส ม, มาธิคือเป็นองค์ประกอบของมรรคที่เราย่อส่วนมาเป็นสามคือศีลส ม, มาธิปัญญาปัญญาก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมา สัมมาสังโปอศีลก็ได้กับสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชิวะสมาธิก็ได้กับสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเมือ่อรวมกันก็เป็นมรรคแปดถ้าย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นญาติโยมก็เพิ่มอีกข้อนึงคือทานเข้าไปทานศีลภาวนา ภาวนาก็คือสมาธิและปัญญาเหมือนกันทําไมต้องสอนทานเพราะญาติโยมยังติดเงินทองอยู่เลยต้องสอนให้ปล่อยวางเงินทองเพราะถ้ายัางหวงเงินทองอยู่ก็ไปบวชไม่ได้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ก็เลยต้องสอนให้ทําบุญทําทานสละเงินไปให้หมดแบบพระพุทธเจ้าก็ต้องสละราชสมบัติถึงจะไปบวชได้ถึงไปปฏิบัติได้ คำถามจากคุณธนากรการเรียนศึกษาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามากๆจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิภาวนาหรือเปล่าครับเวลาเรียนกับเวลาปฏิบัติสมาธินี่มันจะขัดกันงั้นเราจะเรียนเพียงพอให้รู้วิธีทําสมาธิก็พอมารู้แล้วเราก็ไปทําสมาธิอย่างเดียวไม่เรียนช่วงที่ทําสมาธิเราจะไม่เรียน เราจะเจริญสติพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆแต่นานๆเราก็อาจจะมาเรียนสักชั่วโมงหนึ่งอ่านหนังสือธรรมะสักชั่วโมงนี้ได้ไม่ขัดกันช่วงที่เร า, ามาฟังเทศฟังธรรมเราก็ฟังด้วยสติอ่านหนังสือก็อ่านด้วยสติมันก็ยังไม่ขัดกันแต่ถ้าไปเรียนแบบทั้งตาําราทั้งเล่ม ทั้งเรียนเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ไปสอบอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่ได้ไปนั่งสมาธิกันเรียนได้แต่ต้องเรียนแบบไม่ให้มารบกวนการปฏิบัติสมาธิท่า น, นอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ทุกสาวัน5วันท่านก็จะเรียกมาอบรมครั้งหนึ่งแล้วอบรมเสร็จท่านก็ปล่อยให้เรากลับไปฝึกสมาธิการฝึกปัญญากันแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ขั้นไหนพอเราพอสักพักท่านก็เรียกกลับมาสอนใหม่ เกิดความจําบางทีเรียนไปแล้วเดี๋ยวลืมหรือบางทีจะขึ้นสู่ขั้นที่สูงไม่รู้จะขึ้นยังไงก็ต้องสอนขั้นที่สูงต่อไป<ม>ก็เลยต้องมีการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยทั้งสายปฏิบัตินี้จะทําไปพร้อมๆกันสลับกันไปสี่ห้าวันก็ฟังเทศสักครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งฟังเทศสักครั้งหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติหกเจวันแล้วก็กลับมาฟังเทศกันใหม่ไม่เหมือนกับทางโลก เขาแรกปฏิบัติกับการเรียนไปเลยเรียนนักธรรมเตหนึ่งปีนักธรรมโทหนึ่งปีนักธรรมเอกหนึ่งปีแล้วก็ไปเรียนประเมณี่เก้าปีพอจบแล้วถึงจะไปปฏิบัติพอจะไปปฏิบัติมันลืมหมดละที่เรียนมา ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปปฏิบัติกันเลยกลายเป็นนี้อาจารย์ไปโดยอัตโนมัตินี่พวกนี้พอเรียนจบก็ไปสอนปะเรียนต่อสอนนักทำตีโทเอกต่แต่ไม่ได้สอนวิธีปฏิบัติเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติกันเนี่ยก็เลยไม่ได้มากผลนิพพานได้แต่ประกาศได้แต่ได้แต่ปอประเรียนได้ปอเกา้าปอทอกา้าได้ประกาศนียบัตินักทำตีโทเอกไป คำถามที่สองจะคุณธนากรนะคะยานและฌานแตกต่างกันอย่างไรครับยานคือปัญญาความรู้ที่เราได้รับจากการเจริญปัญญาเรียกว่ายานส่วนฌานคือความสงบสมาธิฌานคือสมาธิฌานมีอยู่8ดขั้นด้วยกันรูปฌานสี่รูปฌปานสี่ยานนี้ก็มีหลายหลาย หลายขั้นด้วยกัน ก, ก็ขั้นของโสดาบันก็ขั้นหนึ่งขั้นสกิริาคามีก็ขั้นหนึ่งอนาคามีก็ขั้นหนึ่งอรหันก็ขั้นหนึ่งอยาอนก็ความรู้ว่าเราละสังโยชน์ได้แล้วสามข้อก็เป็นโสดาบันได้ยะทําทให้สังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าเบาบางลงเราก็เป็นสกิริยาคามีพอเรารู้ว่าเราทําให้ข้อที่สี่ข้อที่ ห, ห้าหายไปหมดเราก็เป็นอนาคามีเอ อันนี้สังโยชน์เบื้องต่ำมีห้าข้อพอเราไปทำสังโยชน์เบื้องสูงถ้ามีอีห้าข้อให้หมดไปได้เราก็รู้ว่าเราได้บรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วอันนี้ไม่ต้องไปถามใครยานมันจะบอกเราเองคำถามจากคุณสมศักดิ์เวลาเราเกิดทุกข์กับสิ่งต่างๆ เราควรจะใช้หลักธรรมใดแก้ทุกข์ครับใช้ปัญญา่ยใช้สติใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนพอทุกข์กลับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บริกรรมพุทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์พออยู่กับพุทโธพุทโธไปสักพักมันก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ทุกข์ก็หายไปแต่หายแบบชั่วคราวพอเรากลับไปคิดถึงมันอีกมันก็กลับมาอีกถ้าอยากจะให้มันไม่กลับมาต้องใช้แก้ด้วยปัญญา ปัญญาเราก็ต้องไปหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์เราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้หรือเปล่าไม่ได้มันเป็นอนัตตาเมื่อมันเป็นอนัตตาเราก็ต้องอย่าไปอยากอย่าไปหวังได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีต้องคิดแบบนี้ พอเราคิดแบบนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ไม่เอาได้ก็เอาคิดอย่างนี้อก็จะไม่ทุกข์อันนี้จะเอาอย่างเดียวได้ไม่ได้ก็จะเอาพอไม่ได้ก็ทุกข์ก็สิเท่านั้นเองนี่คือปัญญาก็คือหยุดความอยากถ้าไม่มีความอยากเราไม่มีความทุกข์ที่ทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะความอยากทั้งนั้นน่ะอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอไม่ได้เป็นก็ทุกข์กันแล้วะ คำถามจะคุณปียนานดวงจิตที่ออกจากร่างไปแล้วจะยังรู้สึกหิวอาหารร้อนหนาวหรือยังต้องการนอนหลับหรือพักผ่อนอีกหรือไม่ครับดวงจิตดังกล่าวจะมีที่อยู่ที่ใดครับออความจริงจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วจิตเหมือนคนขี่มา้าจิตเพ่งแต่มักขี่ร่างกายด้วยวิญญาณวิญญาณคือกระแสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรส จิตส่งกระแสนี้มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายร่างกายอยู่ในโลกกระธาตุจิตอยู่ในโลกทิพย์อยู่คนละโลกกัน แต่มาเชื่อมต่อด้วยสัญญาณวิญญาณเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องคนนึงอยู่กรุงเทพอยู่คนนึงอยู่ที่นี่ก็เชื่อมต่อด้วยสัญญาณวิทยุแต่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันจิตกับร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเพียงแต่จิตนี้มีความสามารถที่จะส่งกระแสวิญญาณตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายได้จึงรับรู้สิ่งต่างๆที่ร่างกายเห็นได้ยินได้แล้วก็จิต ก็ส่งกระแสความคิดมาสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆให้เดินให้ยืนให้ไปทํานูน่ทนทํานี่จิตก็ส่งกระแสเหมือนกับเราส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือรับส่งกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเวลาจิตไม่มีร่างกายก็เหมือนเวลาที่จิตนอนหลับไมไ่เวลานอนหลับจิตก็ไม่หิวแล้วมันเลใช่ไหมเวลาหิวนี่พอนอนหลับก็หาหิวบางทีก่อนหิวมากๆมันรู้จึกแกล้งความหิวเลยนอนดีกว่า พอนอนหลับแล้วมันก็หายหิวเพราะมันไม่ไปคิดถึงเรื่องความอาหารนั่นเองมันหลับมันก็หยุดคิดที่ทีนี้มันอาจจะฝันดีก็ได้ถ้าฝันดีมันอาจจะฝันว่าไปกินอาหารที่นู่นที่นี่ทําให้อิ่มใจขึ้นมาก็ได้แต่ถ้ามันไม่เคยทําบุญมันก็จะหิดมันก็จะฝันหิวอะเพราะมันจะมันไม่เคยทําบุญมันมีแต่อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ไม่ยอมทําบุญเอมันก็จะฝันแต่เรื่องที่ทําให้หิวโหยขึ้นมา แต่คนที่ทําบุญนี้จะฝันแต่เรื่องที่ทําให้อิ่มใจสุขใจเวลาเรานอนหลับหรือเวลาเราตายนี้จิตจะเข้าสู่โลกของความฝันฝันดีก็เรียกว่าเทวดาเป็นเทพเป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นอบายเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปจนกว่าจะได้ร่างกายถึงยะมตื่นพอได้ร่างกายพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาเอาตื่นขึ้นมาใหม่แล้วอตอนนั้นะ่ะคือเวลาตื่น เวลาเราไปเปลี่ยนร่างกายกันร่างกายนี้ต่อไปมันก็ต้องตายพอตายก็วิญญาณที่มาเกาะติด ก, กับร่างกายก็ก็ถอยออกไปถอนออกไปแล้วก็ล่องลอยไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงที่ล่องลอยอยู่ก็จะนอนหลับฝันดีฝันร้ายไปขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทําไปพอบุญกับบาปหมดกําลังลงก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่พอออกจากท้องแม่มาก็ตื่นขึ้นมา ลกก็็มาาาใช้ร่งยเปเปนครืื่่ออองมมหาาคควสุตไปําถามจากคุณมาโนุเราจะทราบได้อย่างไรว่าเจ้ากำนายเวรชอบอะไรครับก็ถามเขาสิมันยากตรงไหนวะจำเจ้จา ก, กำนายเวรคือใครก็คือคนที่เขาเกลียดเราเนี่ยละคนที่จงนักจงชังเราเนี่ยก็ลองไปคุยกับเขาดูพี่ชอบอะไรหรือสังเกตดูก็ได้ชนใหญ่ ก, ก็ชอบเงินทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องไปถามก็ได้หรอก ส่งเงินไปใส่โอนเงินไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็รักเราเองอะ่นะของพวกนี้ไม่ต้องถามเลยเราชอบอะไรเขาก็ชอบอย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมเขาชอบความสุขเราก็ชอบความสุขอ ะ, อะไรที่ทาให้เขาสุขก็เงินนี่แหละเป็นสารพัดเนี่ยเป็นแก้วสารพัดเนี่ยส่งไปเถิดไม่ว่าส่งรับรองได้เขาจะไม่โกรธเราเกลียดเราถ้าเราให้เงินเขาจนกระทั่งเขาพอใจ ถ้ายังไม่พอใจเขาก็ยัง ก, ก็ยังตามมาล้างตามผานเราได้อยู่ออแต่พอเราชดเชยค่าเสียหายที่เราทำกับเขาให้เขาพอใจแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราคำถามจากร้านเจ๊เล็กตลาดโรงเกลือโยไม่ติดเรื่องเงินแต่มีห่วง แม่และลูกเจ้าคะ่ะไม่มีคนดูแลต้องส่งเงินไปดูแลแม่เพราะอยู่ไกลกันเจ้าคะ่ะโยมทำที่บ้านก็มีเวลานั่งสมาธิอาทิตย์ละส4ถึงครั้งเลยไม่ค่อยก้าวหน้าทางด้านปัญญาแต่โยมฟังเทศพระอาจารย์ทุกวันเพื่อเตือนสติตนและเพิ่มความรู้ควรทำอย่างไรต่อดีเจ้าคะ่ะ ก็ฟังไปเนี่ยฟังแล้วก็เอาไปคิดต่ออย่าฟังแล้วก็ทิ้งเหมือนเช่นวันนี้ฟังนั้นรู้เรื่องอะไรก็เอาไปคิดอยู่ขยายความรู้ให้มันเข้าใจกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ให้มันไม่ลืมเพราะถ้าเราฟังแล้วเราไม่ไปคิดต่อเดี๋ยวเราลืมนะเพราะเราต้องไปทํางานไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทําที่เราได้ฟังมันก็จะจางหายไปถ้าเราไม่อยากจะให้มันหายไปอยากให้มันอยู่กับใจเปนนานๆก็ต้องมาคิดบ่อยๆมาทบทวนอยู่เรื่อยๆ แล้วเราก็จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นไปไม่จางหายไปคำถามจากคุณลูกโปง่งมีสิ่งที่อยากถามค่ะเวลาเรานั่งรสไฟฟ้า<ๆ>เห็นคนเยอะๆชอบกำหนดดินดินดินได้ไหมคะเพราะกำหนดเห็นคนเป็นธาตุดินค่ะรู้สึกว่าจิตสงบโดยทั่วไปกำหนดพุทธโธแต่ถ้าฟุ้งซ่านมากจะกำหนดตายตายตายทำวิธีนี้ถูกไหมคะ ได้วิธีไหนก็ได้ที่ทําใจให้เราสงบให้เย็นสบายได้ทั้งนั้นจะใช้สมถะคือพุทโธก็ได้จะใช้วิปัสสนาคือดินก็ได้ความตายก็ได้จิตมันจะคลายมันจะปล่อยวางแม้มันจะโกรธเกลียดคนนั้นเกลียดโกรธเกลียดคนนี้พอคิดว่าเขาเป็นดินก็เลยไม่รู้จะไปโกรธ ด, ดินทําไมเบียดกับดินอยู่กับดินเออ ก็เลยก็คลายความเครียดได้คลายความโกรธเกลียดได้บางทีนั่งรถเบียดกันก็โกรธคนที่มาเบียดเราใช่ไหมพอเราคิดว่าเขาเป็นดินมันก็เลยหายโกรธได้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดแต่และคนมีจิตระดับต่างกันบางคนอยู่ระดับสมาธิก็ใช้สมาธิแก้ไปจิตที่มีระดับปัญญาเขาก็ใช้ปัญญาแก้ไปจบแล้วแหละโอเค okay. มีใครอยากจะถามอีกไหมเนี่ย ไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเนะเหนื่อยแล้ววันนี้ต้องใช้เสียงดังหน่อยเพราะฝนตกเลยต้องพูดดังหน่อยรู้สึกว่าจะเสียงจะแหบ้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ